บุ๊ก <Book> 2สิบสี่สีหิมะสีขาวพระอาทิตย์สีเหลือง ส้มสีส้มอะเปลซินอรัญจงเชอร์รี่สีแดงวิชช์เนียชรฟวนายท้องฟ้าสีฟ้าเนบะสีนียหญ้าสีเขียว т ราว а เจลูนายดินสีน้ำตาล Земля коричневая м е น с ิ ТАУ ХМАРА ш น р а นดินดินดินดินดินดิ н ы ินดินดินดินะินสีนดิ я к о г ด к о л ิน ны ดินดินดินด г น พระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลืองอย่าคุกคือเลือด ц ้มสิต้ะส้มมีสีอะไรสีสม้มอย่าคุกคอเลือดอเปิลสินอรังเะเชอร์รี่มีสีอะไรสีแดงอย่าคุกคลือดวิช ท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้า якога колеру неба ส ага ญ้ า, ามีสีอะไรสีเขียว якога колеру трава зялёнага ดินมีสีอะไรสีน้ำตาล якога колеру зямля Карычнєвага е เมฆมีสีอะไรสีเทายาโคฮาคูล р รุก р а ระเฉ г ระยางรถมีสีอะไรสีดำยาโค о าคูลิ РУ ш ิ н ะ ч о р н น г ะ